เรื่องปราบแม่นาคพระขนงครั้งเมื่อนางนาคบ้านพระขนงตายทั้งกลม่มปีศาจของนางนาค ก, กำเริบเขาลือกันต่อมาว่าปีศาจนางนาคมาเป็นรูปคนช่วยผัววิดน้ำเข้านาได้จนทําให้ชายผู้ผัวมีเมียใหม่ไม่ได้ปีศาจนางนาคเที่ยวรังควาลหลอกหลอนคนเดินเรือในคลองพระขนงไม่ได้ ตั้งแต่เวลาเย็นตะวันรนรอนลงไปต้องไล่เห็นปีศาจนางนาคเดินห่มสีบ้างโขลนตัวบนต้นโพต้นไสรบ้างพระสงฆ์ในวัดพระขนงมันก็ล้อเล่นจนกลางคืนพระภิกษุสามเณรต้องนอนรวมกันถ้าปลีกเป็นนอนองค์เดียวเป็นต้องถูกปีศาจนางนากรบกวนจนเสียงกรอกแรกอื่นๆก็มาว่าเป็นปีศาจนางนาคไปหมดนักเลงเที่ยวกลางคืนก็ต้องหยุดเศราลง เพราะกลัวปีศาจนังนาคพวกหมอผีพิธามเป็นผู้วิเศษตั้งพิธีผูกมัดเรียกพูดมันมันก็เข้ามานั่งแลบลิ้นเลือกตาเอาเจ้าหมอต้องเจ๊งมันมาหลายคนพวกแย่งชิงลวงหลักปล้อมเป็นนงังนาคหลอกลวงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านกลัวนงังนาคเลยมุดหัวเข้ามุง้งขมวยเก็บเอาของไปสบาย ข, ข, ข้ามลงก็ต้องล้อมต้องนั่งกองกันยันรุ่งก็มี สมเด็จพระพุทธเาจา้าโตท่านรู้เหตุปีศาจนางนาค ก, กำเริบเหลือมือหมอท่านจึงลงไปค้างที่วัดมหาบุตรในคลองพระขนงพอค่ำท่านก็ไปนั่งอยู่ปากหลุมและท่านเรียกนางนาคปีศาจขึ้นมาสนทนากันฝ่ายปีศาจนางนาค ก, ก็ขึ้นมาพูดจากตกลงกันอย่างไรไม่ทราบลงผลท้ายที่สุดท่านได้เจาเอากระดูกหน้าผากนางนาคที่ก็ฝังไว้มาได้แล้วท่านมานั่งขัดกล่าวจนเป็นมัน ท่านนำขึ้นมาวัดระครังท่านลงยันเป็นอักษรไว้ตลอดเจาะเป็นปั้นเน่งคาดเอวไปไหนท่านก็เอาติดเอวไปด้วยปีาศาจในพระขนงก็หายกำเริบซาลงเมื่อสมเด็จพระพุทธโกสาจาย์หม่อมราชวงศ์เจริญอย่างเป็นสามเณรอยู่ในกุฏิสมเด็จพระพุทธจารย์โต น, งนางนาคได้ออกมารบกวนหม่อมราชวงศ์เนรก็ร้องฟ้องสมเด็จว่า สีกามากวนเขาเจ้าค่าสีกามากวนเขาสมเด็จพระพุทธเจย์โตท่านร้องว่านางนาคเอ้ยอย่ารบกวนคุณเนนสิปีศาจนั้นก็สงบไปนานๆจึงออกมารบกวนรั้นท่านชรามากแล้วท่านจึงมอบปั้นเหน่งกระดูกหน้าผากนางนาคประทานไว้กับหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีรันมอบหม่อมราชวงศ์สามเนนเจริญ ให้ไปอยู่กับหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลันด้วยนานๆ น, น, นางนาคออกยอกเยา้าหม่อมราชวงศ์สามเนนเจริญหม่อมราชวงศ์สามเนนเจริญต้องร้องฟ้องหม่อมเจ้าพระพุทธบาทต้องส่งกลิ้วนางนาคว่าเป็นผู้หญิงยิงเรืออย่ามารบ ก, กวนคุณเนนจะดูหนังสือนังหาใส่กลิ้วแล้วก็เงียบไปหมายเหตุ เรื่องนี้เจ้านายหมอมราชวงศ์วังหลังเล่าให้ฟัง